วันนี้เป็นวันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทำความเพียรกัน มาทําความเพียรเพื่อผลนันยิ่งใหญ่คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทําเพื่อวิมุติธรรมวิมุติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเท่านั้นถ้าปราศจากความเพียรแล้วความทุกข์จะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากใจของพวกเรา การเรียนรู้เรื่องของธรรมต่างๆนี้ยังไม่ได้เป็นการเข้าถึงตัวธรรมการจะเข้าถึงตัวธรรมได้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติธรรมดังนั้นเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องบาปเรื่องอบายามุขเรื่องกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชา เรื่องราเหล่านี้ยังเป็นเพียงแต่ชื่อยังไม่ใช่ตัวจริงเราต้องเข้าถึงตัวจริงให้ได้จะเข้าถึงตัวจริงได้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติ <c oughs> จะปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรความพยายามถึงจะปฏิบัติได้ <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามาทาความเพียรกัน ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะไปกับกระแสของสังสารวัฏไปกับกระแสของโลกกระทมคือไปกับการหาราบยศสรรเสรินสุขกันที่จะคอยฉุดรากให้พวกเราติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราจึงต้องมีการเบรคใจบ้าง เหมือนกับเขาเรียกว่า Circuit Breaker ภาษาอังกฤษตัดวงจรของสังสารวัตรวันพระนี่เป็นวันตัดวงจรของสังสารวัตรให้มัน <c oughs> ชะลอตัวลงและหยุดลงไปในที่สุดด้วยการมาปฏิบัติธรรมมาเพียรปฏิบัติธรรมกัน ความเพียร น, นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันที่พวกเราต้องเพียรปฏิบัติกันให้ได้ข้อที่หนึ่งก็คือเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีในใจให้เกิดขึ้นมาข้อที่สองเพียรรักษาธรรมที่มีอยู่ในใจแล้วไม่ให้หดหายไปข้อที่สาม เพียนกำจัดอธรรมที่มีอยู่ในใจให้ออกไปจากใจให้หมดสิ้นไปเพียงข้อที่สคือเพียงละหรือป้องกันอาธรรมที่ได้ละแล้วที่ได้กาจัดแล้วอย่าให้หวนกลับคืนมาอีกต่อไปต้องปฏิบัติในสลักษณะนี้สร้างธรรมรักษาธรรม กำจัดอาธรรมและป้องกันอาธรรมไม่ให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกอาธรรมก็คือบาปทั้งหลายอบายามุกทั้งหลายอิเลตันหาโมหะอาวิชชาทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาธรรมเพราะเป็นเครื่องสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของพวกเราส่วนธรรมนี้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ต่างๆธรรมก็คือ บุญทั้งหลายบุญชนิดต่างๆเช่นการทำทาน<ๆ>การรักษาศีล<ๆ>การภาวนา<ๆ>นี่คือบุญคือธรรมที่เราต้องเพียรสร้างกันขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาในใจมีธรรมแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงไปจนหมดสิ้นไปความทุกข์จะไม่มีวันหมดถ้าเราไม่มีธรรม ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเพราะธรรมนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาทำลายอาธรรมเป็นผู้ที่จะชนะอาธรรมธรรมย่อมชนะอาธรรมเสมอเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์แล้วเป็นพ่อองค์แรกพระพุทธเจ้าทรงใช้ธรรมเพื่อมากำจัดอาธรร ม, อ, มอาธรรมก็คือความทุกข์ทั้งหลายธรรมก็คือความสุขทั้งหลาย สร้างความสุขขึ้นมาแล้วความทุกข์ภายในใจก็จะหายไปหมดถ้าไม่สร้างความสุขขึ้นมาความทุกข์ภายในใจก็ยังจะมีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราต้องมีวันพระกันถ้าเราไม่มีวันพระเราจะไม่มีจุดเริ่มต้นของการนําเราไปสู่วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ มีคำพูดของปัจจยานักบาตรบางท่านบอกว่าระยะทางเดินนั้ น, นจะไกลเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลก็ต้องมีการเริ่มต้นมีก้าวแรกถ้าไม่มีการก้าวแรกก็จะไม่มีการเดินทางแล้วก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปกันได้พวกเรานี้ต้องการไปวิมุติกัน พวกเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์กันพวกเราต้องการไปพระนิพพานกันไปสู่บรมมาสุขไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและการจะไปได้ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นมีก้าวแรกของการเดินทางก้าวแรกของการเดินทางของพวกเราก็คือวันพระนี่แหละเป็นวันที่เราจะสามารถมีเวลา มาเพียนสร้างธรรมะและอะลระธธรรมได้ถ้าเราไม่มีวันหยุดทางาน<ม>เราก็จะไม่มีเวลา<ม>วันพระคือวันหยุดทางาน<ม>ในสมัยโบราณวันพระเป็นวันหยุดทางานกัน<ม>ส่วนสมัยนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปวันหยุดทางานไม่ตรงกับวันพระเสียแล้ว ไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นเราก็ต้องปรับวันพระของเราให้ทันสมัยเช่นวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันทำงานสำหรับท่านส่วนใหญ่ต้องไปทำงานกันก็จะไม่สามารถมาสร้างความเพียรสี่สถานนี้ได้สี่แบบนี้ได้ก็ต้องรอให้ถึงวันหยุดทำงานก่อน ถึงจะสามารถที่จะมีเวลามาทำได้ท่านก็ต้องปรับวันพระของท่านให้ไปตรงกับวันหยุดของท่านถ้าท่านหยุดวันเสาร์ก็ทำวันเสาร์ให้เป็นวันพระถ้าหยุดวันอาทิตย์ก็ทำวันอาทิตย์เป็นวันพระแต่ถ้าท่านสามารถหยุดตรงกับวันพระได้เช่นวันนี้บางท่านทางานอิสระไม่ต้องหยุด ตรงกับผู้อื่นไม่ต้องหยุดกับตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านสามารถเลือกวันหยุดได้ท่านก็เลือกวันหยุดให้ตรงกับวันพระก็ได้หรือวันไหนที่สะดวกกับท่านก็แล้วกันขอให้ถือว่าวันที่สะดวกวันที่ว่าจากภารกิจการงานต่างๆนี้มาเป็นวันพระนี่คือความหมายที่แท้จริงของวันพระวันพระคือวันที่เราจะหยุดทางาน เพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างมาสร้างความเพียรเพื่อให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาเย่๋ยวน้อยอาทิตย์หนึ่งเราต้องมีวันพระสักหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้เริ่มออกเดินทางไปสู่พระนิพพานกันไปสู่วิมุตติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะถ้าเรามีก้าวแรกแล้วเดี๋ยวก็มีก้าวที่สอง เช่นวันอาทิตย์นี้วันพระนี้เรามาทําความเพียรกันเดี๋ยววันพระหน้าอาทิตย์หน้าก็มีวันพระอีกเราก็ได้เก้าขั้นที่สองเก้าขั้นที่สามไปตามลําดับมีหนึ่งอย่างน้อยก็มีห้าสิกว่าอาทิตย์ด้วยกันเราก็จะได้เก้าอย่างน้อยห้าสิบหขั้นแล้วถ้าเราได้เก้าแล้วเราเริ่มเห็นผลของการเก้าหน้าของเรา ก็จะทำให้เกิดมีศร wow, ัทธามีฉันทวิริยะมากขึ้นเราก็จะเพิ่มวันพระให้มากขึ้นแทนที่จะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งวันเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่ยิ่งได้สัมผัสกับการหลุดพ้นจากความทุกข์มากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับตามตามความเพียรของเราความทุกข์นี้ ไม่ได้ดับไปด้วยตัวของมันเองมันไม่หายไปมันจะหายไปนีต้องหายด้วยการทำความเพียรเท่านั้นถ้ามันหายมันก็หายแบบไปหลบซ่อนตัวเพื่อที่จะมาลุกรานเราในครั้งต่อไปมันจะไม่ได้หายแบบหายขาดมันจะหายขาดได้ต้องหายขาดแบบความเพียรที่เกิดจากการสร้างความเพียรของเรา มันจะไม่หายไปเองถ้ามันหายก็สแสดงว่ามันไปหลบซ่อนไปเตรียมสมกำลังเพื่อที่จะมาบุกใส่เราให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเดิมเั mm ้น hmm. อย่าประมาทเวลาที่เราไม่มีความทุกข์เราอย่าไปคิดว่าเราค้นทุกข์แล้ว mm hmm. เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังพักตัวก็ได้เขากำลังสะสมพลังอยู่ แล้วเดี๋ยวพอมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาเขาก็จะบุกกระหน่ำเราอย่างเต็มที่แล้วความทุกข์ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้พบได้เห็นกันอย่างเต็มที่นั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราพ้นทุกข์แล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีวันที่จะพ้นทุกข์ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องปฏิบัติถึงจะพ้นทุกข์ได้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็คิดว่าเราไม่มีความทุกข์แล้วเราพ้นทุกข์แล้วมันเป็นช่วงที่เขาไม่แสดงตัวเท่านั้นเองความทุกข์นี้มันก็ใช่ว่าจะแสดงตัวตลอดเวลาบาเวลามันก็หายไปก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่กลับมาอีกมันจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็เวลาที่เราแก่มันก็จะกลับมา เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะกลับมาเวลาที่เราจะตายมันก็จะกลับมาอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่เราสามารถกำจัดมันก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะตายได้ถ้าเรากำจัดมันได้ก่อนที่เราแก่เราเจ็บเราตายเวลาเราแก่เราจะไม่มีความทุกข์เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะไม่มีความทุกข์เวลาเราจะตายเราจะไม่มีความทุกข์เพราะเราสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ด้วยความเพียร น, นั่นเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรดังนั้นขอให้เราอย่ามองข้ามความเพียรไปเป็นอันขาดคว า, ความเพียร น, นี้เป็นธรรมที่สาคัญอย่างยิ่งถึงแม้ว่าสติจะเป็นธรรมที่สุดยอด แต่ถ้าสติไม่มีความเพียรสติก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องเพียรสร้างสติถึงจะมีสติปรากฏขึ้นมาเห็นจะพูดไปพูดมาความเพียร น, นี้อาจจะสาคัญกว่าสติเสียด้วยซ้าไปหรืออาจจะมีความสาคัญเท่าเท่ากันก็ได้เพราะถ้าไม่มีความเพียรเจริญสติสติจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าไม่มีความเพียรที่จะนั่งสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่มีความเพียรที่จะเจริญปัญญาปัญญาจะจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้องมีความเพียรฉนั้น <Yeah. S 1> <And, S 2> ขอให้เราพยายามสร้างความเพียรกันสร้างธรรมและละอะธรรมกันธรรมก็คือบุญกุศลทั้งหลาย ที่จะมาดับความทุกข์สร้างความสุขให้กับใจส่วนอาธรรมนี้เป็นส่วนที่มาสร้างความทุกข์และทำลายความสุข mm hmm. นะเราต้องคอยกำจัดอาธรรมแล้วคอยสร้างอาธรรมกันข้อ mm hmm. ที่หนึ่งท่านบอกว่าเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีในใจให้เกิดขึ้น mm hmm. ไฟแฟลชของกล้องนี้มันมันติดอยู่นะเดี๋ยวกล้องกล้องตัวนี้มันติดติดต ด, ดับดับตอนนี้ดับไปแล้วไม่ทราบหรือว่ามันตั้งอัตโนมัติเนอะพอแสงไม่พอมันก็เลยอาจจะติดพอแสงพอมันก็ดับเพียงสร้างทมที่ยังไม่มีในใจตอนนี้เรามีทานหรื อ, อยังมีมากมีน้อยอาจจะมีแต่ยังมีน้อย ก็ต้องสร้างขึ้นไปให้มันเต็มร้อยเรามีศีลหรือยังไม่มีศีลเราก็ต้องรักษาศีลให้เต็มร้อยเรามีภาวนาหรือยังเราก็ต้องสร้างภาวนาขึ้นไปให้เต็มร้อยให้ได้แล้วพอเราสร้างทานได้สร้างศีลได้สร้างภาวนาได้เราก็ต้องเพียรรักษาอย่าให้มันลดน้อยลง เคยทำทานเท่าไหร่ก็ทําต่อไปจนกว่าจะไม่มีทำเท่านั้นถึงจะลดลงได้แต่ถ้ามีกําลังที่จะทําเพิ่มมากขึ้นก็ต้องทําให้ให้เต็มร้อยให้ได้เต็มร้อยก็คือเอาเงินทองที่เรามีอยู่ที่เราไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้หรือต้องใช้นี่เอาไปทําบุญทําทานให้หมดถ้าหมดแล้วก็ถือว่าได้ทําทานอย่างเต็มร้อยเนี รักษาศีลและรักษาได้เฉพาะวันพระหรื อ, รอวันไหนก็ต้องพยายามรักษาให้ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆืเบื้องต้นอาจจะรักษาในวันพระก่อนอรักษาศีลห้าก่อนแล้วต่อไปก็เพิ่มรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันพอรักษาศีลห้าได้ทุกวันแล้วก็เพิ่มมารักษาศีลแปดในวันพระ แล้วก็เพิ่มรักษาสินแปดเพิ่มขึ้นจากวันพระก็มาเพิ่มเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระเป็นต้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วอย่าให้หดหายไปเคยรักษาสินได้ก็ต้องรักษาให้ได้ต่อไป รักษาอย่าให้น้อยกว่าที่เราเคยรักษาได้บางท่านนี้รักษาแล้วบางทีก็หยุดรักษาก็มีบางทีหยุดบางคนช่วงเข้าพรรษาก็หยุดเดิมสุราได้พอออกพรรษานี้ก็กลับไปเดิมสุราอีกอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับการเดินหน้าถอยหลังเดินข้างหน้าเดินไปข้างหน้าสามเก้าแล้วก็เดินถอยหลังดีไม่ดีมากกว่าสอง กว่าที่เราเดินข้างหน้าละการเดินสวราสามเดือนพอ อ, อพรรษามาก็มาดื่มอีกเก้าเดือนอย่างนี้ไม่ก้าวหน้าอย่างนี้เรียกว่าก้าวหลังอมันต้องละให้มากกว่าอกระทำต้องเปลี่ยนสลับจากรักษาละการเด่มชวราสามเดือนมาเปลี่ยนมาดื่มในพรรษาดีกว่าสามเดือน แล้วออกพรรษาก็เลิกดื่มอย่างนี้จะได้มากกว่าได้เก้าเดือนออกพรรษามันต้องเก้าเดือนเข้าพรรษามันแค่สามเดือนแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าไปดื่มมันเลยถ้าเราเลิกดื่มสามเดือนได้แล้วทำไมจะเลิกดื่มต่อไปไม่ได้แล้วก็เอาทีละวันสิเราเปรียบเทียบดูเราเลิกมาได้ต้องสามเดือนแล้ววันนี้เลิกอีกวันไม่ได้ให้มันรู้ไป ถ้าเลิกสามเดือนได้วันนี้เพิ่มอีกวันหนึ่งก็เลิกได้เอาทีละวันเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ก็คิดแบบเดิมเราเลิกได้ตั้งสามเดือนกับหนึ่งวันวันนี้เราจะละอีกวันหนึ่งจะเลิกไม่ได้เหรอรก็จะเลิกไปได้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเลิกได้หมดนพยายามสร้างธรรมที่เรายังไม่มีถ้าไม่มีศีลก็ต้องรักษาศีลอ มีศีลห้าแล้วแต่ยังไม่รักษาศีลแปดก็ต้องมารักษาศีลแปดกันก็มีวันเริ่มต้นก็คือวันพระวันพระนี้วันหยุดทำงานนี้เป็นวันที่สะดวกเหมาะสมกับการามารักษาศีลแปดเพราะถ้าต้องไปทำงานนี้มันจะมีอุปสรรคหลายอย่างด้วยกันจะไม่สามารถรักษาได้อย่างครบบริบูรณ์ ก็มาเริ่มต้นที่วันพระกันวันหยุดกันเคยรักษาศีลห้าทุกวันวันพระวันหยุดทำงานก็มาเพิ่มมารักษาศีลแปดเพิ่มขึ้นไปอีกวันหนึ่งแล้วก็พอรักษาศีลแปดได้ต่อไปก็จะเพิ่มจากวันพระเป็นวันก่อนวันพระและวันหลังวันพระได้เพิ่มเป็นสามวันต่อไปก็เพิ่มเป็นห้าวัน แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นเจ็ดวันได้เนี่นี่ต้องพยายามเพียรสร้างทำที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นส่วนที่มีแล้วก็อย่าให้มันหายไปรักษาศีลห้าได้แล้วก็อย่าให้มันหายไปรักษาศีลแปดได้แล้วก็อย่าให้มันหายไปไปสร้างทำที่สูงขึ้นไปต่อไปจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะไป จเจริญภาวนาได้ไปสร้างความเพียรกับการภาวนาได้ไปเพราะจะมีเวลาเพราะศีลแปดนี้จะห้าไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการเจริญสติการนั่งสมาธิ การฟังเทศฟังธรรมนี้คือการภาวนาการภาวนานี้แบ่งไว้สองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าสามถภาวนาทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติและก็นั่งสมาธิส่วนที่สองสอนใจให้ฉลาดด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราไปรับทรัพย์จากพระพุทธเจ้าทรัพย์อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญานี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้พวกเราจะไม่สามารถเข้าถึงปัญญาที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงได้ถ้าเราเข้าไม่ถึงปัญญาที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงได้เราก็จะเข้าไม่ถึงวิมุตติเข้าไม่ถึงพระนิพพานกัน การจะเข้าถึงวิมุตติการจะเข้าถึงพระนิพพานได้เราต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจของเราเราก็ต้อนต้นก็ต้องฟังธรรมก่อนฟังธรรมก็เรียกว่าสุดะมายาปัญญาก่อนรับธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อรับเข้ามาแล้วก็ต้องรักษาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเรา ด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเนืองอนนี้ก็เรียกว่าจินตามายปัญญาการ <c oughs> นึกคิดพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเนืองนี้เป็นการเจริญจินตามายปัญญาออพอเราได้สุดตามยาปัญญาแล้วมาแปลงให้เป็นจินตามยาปัญญาได้แล้วคือไม่หลงไม่ลืมธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอ ขั้นต่อไปเราก็ไปเจริญส ม, มถภาวนามาฝึกสติมานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดอัปปนาสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอเราได้อุเบกขาแล้วทีนี้เราก็ไปหากิเลสเลยทีนี้ไปท้าทายไปชิงแชมป์ไปขึ้นเวทีต่อสู้กับกิเลสกิเลสอยู่ที่ตรงไหนไปหามันเลย กิเลสก็คือความกลัวต่างๆนี่เองเวลาเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่เป็นการแสดงกำลังของกิเลสตัณหาเราต้องไปฆ่าความกลัวเหล่านี้ให้ได้ถ้าเรามีอัปปนาสมาธิเรามีจินตามยะปัญญาเราก็จะสามารถเอาทั้งสองส่วนนี้มารวมกัน ให้เป็นภาวนาไมยะปัญญาได้เพราะเรามีภาวนาไมยะปัญญาแล้วทีนี้เราก็จะสามารถทําลายกิเลสตัณห า, าต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้เพราะเกิดความอยากอะไรอยากไม่แก่หรือ อ, อยากไม่แก่ก็เอาอนนี้จังมาใส่มันร่างกายมันไม่แก่ได้อย่างไรมีร่างกายของใครที่เกิดมาแล้วไม่แก่บ้างต้องแก่กันทุกคน เป็นอนัตตาเราไปห้ามมันได้ไหมเหมือนฝนตกตอนนี้เราไปห้ามมันได้ไหมเราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์กับฝนตกเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปอยากให้มันหยุดนั่นเองมันตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็อยู่ของเราไปชั้นใดร่างกายก็เป็นเหมือนฝนนี่แหละมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเราก็อยู่ของเราไป เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจเราถ้าไม่ไปยุ่มกับความแก่ของร่างกายใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราถ้ามีอุเบกขามีปัญญาใจเราก็จะปล่อยวางความแก่ของร่างกายได้เหมือนกับเราปล่อยวางฝนตกในขณะนี้ฝนตกเรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ ไปหยุดมันไม่ได้เรารู้ว่ามันต้องเกิดเพราะมันอยู่ในโลกของอนิจจังมไม่ได้ว่ามันจะไม่มีฝนตลอดเวลาเดี๋ยวถึงเวลาฝนจะตกมันก็ตกมามแต่เราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ได้มีความอยากไปให้มันไม่ตกนั่นเองอ น, นี่ก็เหมือนกันร่างกายเราก็เป็นเหมือนฝนดูร่างกายให้เราเป็นเหมือนฝนความจริงมันก็เป็นธาตุมันทํามาจากดินน้ำลมไฟฝนที่ตกนี้ก็เป็นธาตุน้ำร่างกายก็เป็นธาตุสี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลาแก่ก็เหมือนกับเวลาฝนตกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนพายุมาเวลาตายก็เหมือนกับแผ่นดินถล่ม มันก็เป็นเรื่องของธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเรามีปัญญาเพิจารณาร่างกายอยู่เนืองๆว่าเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาห้าไม่ให้เขาแก่ห้าไม่ให้เขาเจ็บห้าไม่ให้เขาตายไม่ได้ <Okay. S 1> ถ้ามีปัญญาระดับจินตาไม่หลงไม่ลืมใจมันจะฝืนความจริงไม่ได้แล้วถ้ามีอุเบกขาจากสัมมาสมาธิจากอัปปนาสมาธิ ใจมันก็จะปล่อยวางได้อยู่เฉยๆได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ไปเวลาร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเ mm hmm. ช่นถ้าเรามีสมถะภาวนาแล้วเรามีปัญญาแล้วรู้ว่าร่างกายต้องเจ็บ mm hmm. เป็นธรรมดาเราก็นั่งสมาธิไปนั่งให้มันเจ็บพอมันเจ็บก็อย่าลุกเอาปัญญามาสอนใจว่านี่แหละคือ ความเจ็บของร่างกายเป็นอย่างนี้ในอนัตตาไม่ต้องไปกลัวเขาไม่มาทำร้ายใจเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายความเจ็บมันก็อยู่ที่ร่างกายร่างกายก็ยังอยู่เป็นปกติเพียงแต่มีความเจ็บปรากฏให้รับรู้เท่านั้นเองมันไม่ได้ทำร้ายใครมันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนมันไม่ไปทำร้ายใครฝนมันก็ตกไปตามเรื่องของมันความเจ็บมันก็ สแสดงของมันขึ้นมาเมื่อมีอาการมีเหตุที่ทำให้มันต้องสแสดงตัวมันก็สแสดงขึ้นมาเท่านั้นเองใจผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆถ้ามีปัญญามีอุเบกขาก็จะวางเฉยได้จะไม่ทุกข์จะไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปต่อไปนี้ความเวลาร่างกายเจ็บก็จะไม่กลัวไม่ทุกข์ เวลาร่างกายแก่ก็ไม่กลัวเวลาร่างกายจะตายก็ไม่กลัวถ้ามีปัญญาระดับภาวนามยะปัญญาคือมีจินตาบวกกับบวกกับอุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธิก็จะสามารถที่จะ <c oughs> ถ่ายทอดปัญญาของพระพุทธเจ้า <c oughs> มาสู่ใจของเราได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเปลี่ยนใจของพวกเราให้เป็นเหมือนใจของพระพุทธเจ้าได้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่เป็นนิพพานขึ้นมาได้นี่คือการถ่ายทอดปัญญาทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าให้กับใจของพวกเราทุกคนพวกเรานี่เป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกได้เหมือนพระราหุนพระราหุนก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพอพระมารดาของพระราหุนบอกว่าให้ไปกราบทูลขอรับมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จับพระราหุนบวชเป็นเอ็นเลยเพราะวิธีที่จะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นนักบวชหรือปฏิบัติธรำของนักบวชให้ได้ คือต้องรักษาศีลให้ได้อย่างน้อยต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปถ้าเป็นสา ม, มเณรก็ศีลสิบศีลแปกับศีลสิบนี่ความจริงก็เป็นศีนันเดียวกันต่างกันตรงที่มีข้อที่ไม่แตะต้องเงินทองเข้ามาถ้าเป็นสา ม, มเณรเป็นนักบวชก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองก็สามารถารักษาข้อนี้ได้ไม่จับต้องเงินทองได้ ส่วนถ้าเป็นคารวาทุกครองเรือนที่ยังต้องใช้เงินทองซื้อของที่จำเป็นเช่นปัจจัยสก็ยังถือข้อนี้ไม่ได้ก็เลยให้ถือเพียง9ข้อแล้วก็ลดข้อข้อข้อบกับข้อ9กับข้อ8มารวมกันเป็นข้อเดียวความจริงข้อเจนี่เป็นสองข้อด้วยกัน คือการไม่หาความสุขจากมหลรศบบันเทิงต่างๆไม่ร้องรำทำเพลงไม่ดูหนังดูละครนี่หนึ่งข้อแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเครื่องสมางด้วยเสื้อผ้าอภร์ที่วิจิตรพิสดานต่างๆอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งในสินสิบสินสิบจะแยกข้อ8ข้อเจนี้ไว้สองเป็นสองข้อใหญ่ แล้วก็มีข้อ9คือการไม่ถือเงินถือทองไม่จับต้องเงินทองเข้ามาอีกฉะนั้นความจริงศีลแปดที่ถือกันนี้ความจริงเป็นศีลเก้าของศีลสิบของสามเณรสามเณรถือศีลสิบเพราะไม่ต้องจับต้องเงินทองเพราะเป็นนักบวชนี้ไม่มีความจําเป็นจะ ต, ต้องใช้เงินทองเพราะมีผู้มีจิตศรัทธาคอยทํานุบํารุง คอยถวายปัจจัยสี่ยึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทรมาหากินหาเงินหาทองนั่นเองแต่สำหรับคารวสาผู้ครองเรือนนี้ยังต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอยู่ mm hmm. ก็เลยถือสีลเก้ากันแต่เราไม่ชอบเลข9แล้วไงไม่ทราบก็เลยเอาสินข้อเจนี้มารวมสองข้อ เจ็ดกับแปดมารวมกันเป็นข้อเดียวกัน<ม>ก็เลยกลายเป็นศีลแปดไปเท <c oughs> ่านั้นเองเนี<ม>่ย<ม>พาราหุนไปขอมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกลาหุนจับลาหุนไปบวชเป็นเองก่อนเพราะยังเด็กอยู่ยังไม่สามารถถือศีลของผู้ใหญ่ได้<ม>ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องถือศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อขึ้นไปถ้าเป็นสามเณร น, นี้เอาแค่ สิบข้อก่อนแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มาหัดจเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิควบคู่กับการไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพี่เลี้ยงคือภาษาลีบุตรพระพุทธเจ้าสรงมอบให้ภาษาลีบุตรนี้เป็นพี่เลี้ยงของพาระลาหุนเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่มีเวลาที่จะ คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเนื่องจากภารกิจของพระองค์มีมากมายก็เลยส่งมอบให้พระพวกภาษาลีบุตรนี้เป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยอบรมสั่งสอนออสอนให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์สอนให้ฝึกสติจเจริญสมาธิแล้วก็ให้ศึกษาธรรมให้รู้ความเป็นจริง ของความสุขความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรในอริยสัจสี่แล้วก็สอนให้เห็นความจริงของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงของมีเกิดมีดับเป็นอนัตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาได้รับมะระดกของพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่พุทธเจ้าได้ส่งมอบให้ผ่านทางการศึกษาได้ยินได้ฟังได้พิจารณาได้นำมาไปใช้ในกในการกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจจนในที่สุดกิเลสตัณหาก็หมดสิ้นไปจากใจใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา เป็นใจที่วิบุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขึ้นมาอ <Yeah. Yeah. S 1> ปัญญานี้เป็นของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ปัญญาต่างๆที่เราเรียนรู้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นของพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะมาตู่ว่าเป็นของตนได้ใครที่เป็นคนตู่ว่าเป็นของตนนี้เป็นเหมือนคนเนรคุณเรียนธรรมมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไป แอบอ้างว่าเป็นธรรมะของตนไม่มีวันที่จะรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้นี้ได้อริยสัจสี่ตายรักษณนี่สัพเพ ธ, ธรรมาอนัตตานี่ไม่มีใครรู้ได้ในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทรงปฏิบัติทรงใบเรียนจากใครที่ไหนก็ไม่มีใครสอนอริยสัจสี่ไม่มีใครสอนอนิจจังทุกขังอนัตตา แค่นั้นความรู้อันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่พระองค์ไม่สมวนลิขิ์แต่ผู้ใช้ก็ควรที่จะควรจะ <c oughs> อย่าไปตู่ว่าเป็นของตน <c oughs> เหมือนกับเวลาที่เราเราเอาข้อมูลจากสถานที่ใดที่หนึ่งมาใช้ในใ น, ในการทำรายงานของเราเราก็ต้องสแสดงที่มาของข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ไปตู่ว่าเป็น ความรู้เป็นข้อมูลของเราที่คิดค้นขึ้นมาเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการ เ, าเรียกว่าเป็นการตู่เป็นการหลอกลวงต้องแจ้งที่มาที่ไปของความรู้ที่เราได้ม า, าจะได้เขาจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นของเราอันไหนไม่ได้เป็นของเราเ ทำต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษากันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นพระพุทธพระอาจารย์ทุกลูกที่นํามามาสั่งสอนนี้ต้องศึกษาก่อนทั้ง น, นั้นก่อนที่จะเป็นพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อได้ศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็ได้ถ่ายทอด พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเข้าไปสู่ในใจของตนเองจนทําให้พระธรรมนี้สถิตยอยู่ในใจของตนของตนเองได้แต่ไม่ได้เป็นของตนเองเป็นของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยยึดถือว่าเป็นของพระองค์เองแต่เราต้องรู้ที่มาที่ไปของปัญญานี้ บางท่านมีคนถามว่าเวลาท่านอาจารย์แสดงธรรมทาไมพูดแต่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทําไมพระอาจารย์ไม่พูดว่าเป็นของพระองค์ของพระอาจารย์ก็มันไม่ใช่ของเราเนี่ยไปพูดเป็นของเราได้ไงเราไ ด, ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาใช้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนแล้วก็ได้เห็นผลที่เกิดจากการนําเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้เท่านั้นเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเรานี้จะไม่นานั่งคุยกัน น, นั่งฟังเทศฟังธรรมกันตรงนี้ได้จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะเป็นเหมือนกับประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้จากการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องตัดสรู้แล้วตัดสรุปแล้วต้องนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปด้วยถ้าไม่สั่งสอนท่านก็จะเป็นพระปบาเจ ก, กับพุทธเจ้าไป ถ้าเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะมีแต่พระประเจกับพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพอท่านตายไปความรู้ทั้งหมดที่ท่านรู้ก็จะท่านก็เอาไปหมดถ้าไม่เอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราแต่ถ้าท่านเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราแล้วเหมือนกับเอาเชื้อมาแพร่ให้พวกเราแล้ว ถึงแม้ท่านตายไปแล้วเชื้อที่ท่านนํามาแพร่มันก็อยู่ต่อใช่ไหมเนี่ยคนที่เอาเชื้อมาคนแรกนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่เชื้อนี่มันยังอยู่ต่อไหมเนี่ยมันแพร่ไปทั่วโลกเลยเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้า ก, ก็เป็นเหมือนไวรัสอย่างเงี้ยตอนนี้แพร่ไปเกือบทั่วโลกแนละ้วอัวนี้แทบจะมีทุกประเทศแล้วมีคนที่สนใจพุทธศาสนามีเกือบทุกทวีปเพราะว่ามีการนําเอาไปเผยแพร่กัน เหมือนกับการเอาไวรัสมาเผยแพร่กันถึงแม้คนที่ติดไวรัสคนแรกจะตายไปแล้วก็ตามแต่ไวรัสยังไม่ตายทมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตวนี้ยังไม่ตายยังไม่หายไปจากหัวใจของสัตว์โลกถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะตายไปแล้วก็ตามเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เอามาเผยแพร่ก่อนที่พระองค์จะตายนั่นเองทรงแสดงธรรมให้กับผู้ที่สนใจ คนที่สนใจพอได้ยินได้ฟังนําเมาไปปฏิบัติก็สามารถเอาทำเข้าไปอยู่ในใจของตนได้เออพออยู่ในใจของตนแล้วก็สามารถเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไปได้ก็เลยมีการถ่ายทอดมาเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้และจะมีการเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆตราบใดถ้ายังมีการ ศึกษามีการปฏิบัติมีการทำความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่คือเพียรสร้างธรรมเพียรรักษาธรรมที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หายไปเพียรละอธรรมที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเพียรป้องกันอธรรมที่ได้ละแล้วไม่ให้โผล่กลับขึ้นมาอีกละกิเลส ต, ตัวไหนไดน้แล้วก็อย่าไปให้มันกลับมาอีก ละเที่ยวได้แล้วก็อย่าไปเที่ยวละช้อปปิ้งได้แล้วก็อย่าไปชอป็อปเนี่ยยัซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยได้แล้วก็อย่าไปกลับไปทำอีกเนีย่ยนี้เรียกว่าเป็นการรักษาป้องกันเพียนรักษาป้องกันไม่ให้อาทธรรมที่เราได้ละแล้วย้อนกลับคืนมาอีกนีอันนี้เป็นการที่เราจะทำให้เรา สามารถรักษาหรือรับเชื้อของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจของพวกเราต่อไปได้แลเราก็สามารถเอาเชื้อนี้เอาธรรมะอันนี้ไปให้กับอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปได้ศาสนาของเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างก็มีอนิจจังมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ต่อไปความเพียรต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่นี้ก็จะลดความเข้มข้นลงมันลดมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าแล้วยุคพระพุทธเจ้านี้ความเพียร น, นี้เข้มข้นมากมีผู้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมากม า, ายก่ายกองแต่ต่อมาความเพียร น, นี้ก็เริ่มจางลงเพียรภาวนาน้อยลงเพียรรักษาศีลน้อยลง เพียรทําทานน้อยลงหรืออาจจะไม่เน้นการทําทานมากขึ้นเพราะมันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลมันก็ง่ายกว่าการภาวนาดังั้นการเพียนนี้มันก็จะลดลงมาตามลําดับความการภาวนานี้จะน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบใน ย, ยุคพุทธกาลความภาวนานี้จะเพียนกันมากจึงมีการบรรลุเป็นพระอริยสาวกกันมาก แต่ต่อมาความเพียรภาวนานี้น้อยลงไปก็เลยมีบรรลุน้อยลงไปแต่ก็ยังมีอยู่มีมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่เป็นเหมือนกับเขาวัวส่วนผู้ที่ไม่ได้บรรลุนี้เป็นเหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งมีเขาแค่สองเขาแต่ขนนี่มีเป็นร้อยเลย ชาวพุทธเราตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีพวกเขาวัวน้อยมีขนวัวเยอะมีขนเยอะกว่าเขาลองไปค้นหาดูพระอาหารหันต์หากันนี่นานๆจะเจอสักองค์หนึ่งแต่พวกปุถุชนพวกกิเลสตัณหานี้เต็มไปหมดไปวัดไหนที่ไหนก็เจอมีเต็มไปหมดแต่จะหาพระอาหารหันต์พระอริยะสักองค์นี้ไม่ได้มีอยู่ทุกวัดทุกวัว เพราะว่าความเพียรของชาวพุทธเราหย่อนยานมันจึงทำให้การบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ลดน้อยถอยลงไปและก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนพอถึงประมาณ 5,000 ปีก็จะไม่มีใครบรรลุทำได้อีกต่อไปเพราะจะไม่มีใครทำความเพียรกันหรือทำก็น้อยมากกลายเป็นแค่ทำบุญทำทาน ธรรมะก็ไม่ศึกษาไม่เรียนเทศก็ไม่ฟังเมื่อไม่เทศไม่ฟังเทศก็จะไม่รู้แนวทางของการปฏิบัติการปฏิบัติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีการปฏิบัติกันเมื่อไม่มีการปฏิบัติกันการมาลุธทมขั้นต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อไม่มีธรรมก็ไม่สามารถที่จะเอาธรรมนี้ไปเผยแพร่ได้ ธรรมที่ต้องเผยแผ่นี้ต้องเป็นธรรมจริงธรรมแท้ธรรมที่บรรลุจากการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเป็นธรรมที่ได้จากการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกนี้ยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ยังเป็นชื่อของธรรมยังไม่ได้เจอตัวธรรมเวลาแสดงธรรมนี้จะแสดงแบบคนตาบอดคําช้างเพราะว่าไม่ได้เห็น ช้างทั้งตัวไปคำบางส่วนแล้วก็ไปว่าช้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนที่ไปคำที่หางก็ว่าเป็นเหมือนเชือกนคนที่ไปคำที่งวงก็ว่าเป็นเหมือนงูไปคำที่งาก็ว่าเป็นเหมือนปลายหอกอไปคำที่ท้องก็ว <cam> ่าเป็นเหมื <kü> อนฝาผนังเป็นความจริงแต่ไม่เป็นความจริงที่สมบูรณ์สมัยนี้คนที่เรียนศึกษามากแปดนี้ บางทีก็บอกว่าสมาธิไม่จำเป็นไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ปัญญาอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนตาบอดคลำช้างไม่รู้ความสำคัญของสมาธิที่มีต่อปัญญาถ้ามีปัญญาแบบไม่มีสมาธิก็เป็นแค่จินตาไมายะปัญญา สินตามมยะปัญญานี้ไม่สามารถจะที่จะกำจัดความทุกข์ได้ไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้นะถ้าไม่มีอุเบกขามาช่วยนะพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจมันจะหงุดกิดใจมันจะรำคาญจนทนไม่ไหวจนต้องไปทำตามที่ต้องการจะทำนะแต่ถ้ามีอุเบกขานี้จะฝืนความอยากได้จะไม่ทำตามความอยากได้นะ ถ้าคนไม่ปฏิบัติเพียงแต่เรียนนี้จะจะคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องมีสมาธิคิดว่าศึกษาเข้าใจอริยสัจสี่เข้าใจตายลักแล้วจะสามารถทำให้เกิดวิบุติขึ้นมาได้ทำไม่ได้หรอกเป็นความคิดเท่านั้นเองอาจจะทำได้ในบางเรื่องแบบง่ายๆคิดแบบง่ายๆเรื่องที่ง่ายๆแต่ถ้าไปเจอเรื่องยากๆเรื่องเวลาทุกข์กับความเจ็บความตายนี่มัน ใช้ความคิดประยุทธ์มันไม่ได้ต้องใช้ความคิดระดับภาวนามายะปัญญาต้องมีอัปปนาสมาธิต้องมีอุเบกขาถึงจะสามารถสอนใจให้ปล่อยวางได้ให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้ทุกข์กับความตายได้ดังนั้นการศึกษานี้อย่างเดียวไม่พอศึกษาแล้วไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นดีไม่ดีกับไปสอนให้เขาหลงทางกัน เพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติแต่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วจะไม่มีใครตัดมรรคออกไปองค์ใดองค์หนึ่งจะต้องมีครบทั้งแปดองค์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหากับบริภาชคก่อนที่จะเสด็จนิพพานมีบริภาชคมาถามพระพุทธเจ้าว่ามีคำสอนของอาจารย์เยอะแยะไปหมดเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาจารย์องค์ไหนสอนถูกหรือไม่ถูกพระพุทธเจ้าบอกก็ดูที่มรรคแปดนี่ย อาจารย์รูปไหนสอนมรแป8ก็ถือว่าสอนถูกถ้าสอนมรเจ็ดมรหก 6, หรือมรเก้านี้ก็แสดงว่าไม่ถูกแล้วมากเกินไปก็ไม่ถูกเช่นสอนให้ไปเข้าอารูปปัจจาอรูปประชานไม่จำเป็นต้องไปลองสอนให้ไปอิทธิฤทธิปาฏิหารก็ไม่จำเป็นต้องไปถ้า ถ้าไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้จะไม่รู้ไปศึกษาจากอาจารย์บางรูปท่านบอกว่าต้องเจริญอิธิปฏิหารต้องมีร ะ, ะลึกชาติได้บ้างต้องมีเหาะเหินเดินอากาศนั่งแล้ตัวจะต้องลอยบ้างอะไรทานองนี้สมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่ไม่เป็นมรรคที่ไม่นำไปสู่การดับของความทุกข์ได้ ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้แล้วไปเรียนรู้จากอาจารย์ต่างๆท่านอาจจะสอนเกินเมื่อก็มีสอนขาดก็มีเะฉะนั้นต้องต้องรู้ว่ามรรคแปดคืออะไรม 8, รรคแปดรู้จะรู้ได้ว่าเป็นมรรคแปดอย่างแท้จริงก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นการเรียนเฉยๆนี่เป็นเพียงเหมือนกับเรียนชื่อเหมือนกับการดูชื่อของอาหาร หรือดูพวาภาพถ่ายของอาหารกินไม่ได้นะเห็นเขาถ่ายภาพอาหารอะไรอร่อยส่งมาให้แชร์กันอร่อยไหมไปดื่มกาแฟไปกินขนมมาไปรับประทานอาหารมาดูไปจนวันตายก็ไม่มีวันอิ่มกินไม่ได้นมันเป็นภาพมันเป็นชื่อการเรียนหนังสือเรียนธรรมะก็เป็นชื่อของธรรมะเป็นภาพของธรรมะทนั้นเองไม่ใช่ตัวของธรรมะไม่ใช่ตัวของอาหาร จะกินอาหารก็ต้องไปที่ร้านที่เขาขายนี่แล้วก็สั่งอาหารให้เขาเอามาให้เรานั่นะเราถึงจะได้ตัวอาหารฉันใดตัวธรรมะก็ต้องไปที่การปฏิบัติไม่ทำการเพียรสี่สถานนี่แหละเพียรสร้างธรรมเพียรรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วไม่เห่าถ้ายไปเพียรละอาธรรมคือบาปกรรมทั้งหลายอ า, ายายมุกทั้งหลาย กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาทั้งหลายเพียรเพียร เ, เพียรละมันให้ได้ส่วนไหนที่ละได้แล้วก็เพียรรักษาอย่าให้มันหวนกลับคืนมาอีกป้องกันไม่ให้มันกลับคืนขึ้นมาอีกอันนี้แหละถึงจะเข้าถึงตัวธรรมได้ตัวธรรมแท้ตัวที่จะมาทำให้วิมุตติดุดพ้นเกิดขึ้นมาตัวที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นไปจากใจเรา ต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นการเรียนอย่างเดียวไม่พอการเรียนก็สำคัญเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนดูเมนูอาหารแล้วไม่สั่งให้เ้าว่าเราต้องการอาหารหนันเด็กมันก็ยืนรออย่างนั้นพี่เมือ่อไหร่จะสั่งสักทีเมื่อไม่สั่งก็ไม่รู้จะเอาอาหารชนิดไหนมาให้กินอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะก็รอเราอยู่เนี่ยเราก็มวัวแต่อ่านธรรมะฟังธรรมะกันแต่ไม่ไปเอาธรรมะมาปฏิบัติกันธรรมะก็เลยไม่เข้ามาในใจเมื่อธรรมะไม่เข้ามาในใจธรรมะก็ทําหน้าที่ดับความทุกข์ไม่ได้น เมือนยาที่เราได้รับมาจากหมอนี่หมอให้ยามารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราแต่เราไม่กินมันน่ะเรานั่งดูมันมันไม่กินอะ่ะยาวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมารักษาโรคภัยไข้ขเจ็บของเราให้หายไปได้ถ้าเราไม่รับประทานยาที่หมอให้เรามาอย่างในเวลาเราได้ยาจากหมอมานี่เรารีบกินกันเลยใช่ไหมเพราะเราอยากจะให้มันหายเร็วๆ ก็เกณฑ์คอยดูเวลาถึงเวลากินหรือยังถึงเวลากินหรือยังพองรู้ว่าถ้ากินตามเวลาได้แล้วเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายไปเธรรมะของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นเหมือนรักษาโรคของใจเรานี่แหละโรคของใจก็คือความทุกข์ต่างๆนี่ให้มันหายไปหมดแล้วก็ต้องคอยกินยาตามเวลาเนพระพุทธเจ้าบอกให้เริ่มกินขรั้งแรกให้เริ่มกินในวันพระก่อ น, นให้มาปฏิบัติธรรมในวันพระกันก่อน แล้วพอปฏิบัติได้แล้วก็ให้เพิ่มจากวันพระเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันทำไปเรื่อยๆถ้ามีทำ ม, มากขึ้นใจจะมีความสุขมีความอิ่มมากขึ้นแล้วความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขมันจะน้อยลงไปเองแล้วมันจะทำให้เราเบื่อทำให้เราไม่อยากได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปทำงานหางเงินหาทองไปหาลาบยศสารเสริญสุขกัน เราก็จะมีเวลามากขึ้นไปเองไม่ต้องกลัวตอนนี้เรายัางไม่มีความสุขจากธรรมเราเลยต้องอาศัยความสุขจากลาบยศสรรเสริญก่อนแต่ต่อไปพอเราได้เริ่มรับความสุขจากธรรมจากการปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขมันจะน้อยลงไปยิ่งได้รับความสุขจากธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ความอยากได้ความสุขจากลาบยศสรเสิร์นจะจะน้อยลงไปเรื่อย ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาลาบยศสารเสริญนสุขกันเราก็จะมีเวลาเพิ่มที่จะมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมต่อไปเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาเลยไม่ใช่จะเฉพาะเพียงแต่วันพระเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นการพัฒนาของการปฏิบัติของเราและเราอยากจะรู้ว่าเราเก้าวหน้ามากน้อยเท่าไหร่ดูที่การปฏิบัติของเรา ว่าเราปฏิบัติมากขึ้นหรือน้อยลงถ้าปฏิบัติน้อยลงก็แสดงว่าเราถดถอยถ้าปฏิบัติมากขึ้นก็แสดงว่าเราก้าวหน้าถ้าปฏิบัติเท่าเดิมก็แสดงว่าเราอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไม่ถดถอยผลมันเกิดจากการปฏิบัติงั้นอย่ามองข้ามความเพียรไปไม่อย่ามองก็มีอย่ามองข้ามการปฏิบัติไปถึงแม้ว่าเราจะต้องเรียนต้องศึกษา ก็เรียนพอเท่าที่จาเป็นก็พอไม่ต้องไปเรียนทั้งพระไตรปิฎกไม่ต้องไปเรียนพระอภิธรรมไม่ต้องไปเรียนพระอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับเราเช่นพระวินัยมุกพระวินัยนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้เป็นนักบวชไม่ต้องไปเรียนวินัยของพระไม่ต้องไปเรียนวินัยของภิกษุณีเรียนแต่วินัยของเราคือศีลแปดก็พอพอรู้ศีลแปดก็รักษาศีลแปดไป แล้วก็มาเจริญสติเพื่อมาทำใจให้สงบกันสติมีแบบไหนมั่งก็ศึกษาไปสิติก็มีสี่สิบชนิดด้วยกันคือกรรมฐานสี่สิบเป็นเครื่องเจริญสติเป็นเรื่องแบ่งเป็นอนุสติสิบเป็นกรรมอสุภาสิตเป็นเมตตาเมตตากรุณามมวิหารสิมีธาตุมีอะไรอารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเจริญสติได้ แต่ในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติก็ไม่ต้องไปรู้มากเกินดอกต่อความจำเป็นรู้ว่าสติที่เราจะต้องใช้ในการสร้างขึ้นมามีอะไรบ้างก็พอทั่วไปก็มีพุทธานุสติคือให้มีพุทโธพุทโธอยู่ในใจเป้าหมายคือต้องการหยุดความคิดไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆลึงใจให้มาคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธ หรือถ้าไม่คิดพูดโธก็ให้มันเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้ร่างกายกำลังอาบน้ําก็ให้ใจอยู่กับการอาบน้ําอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นล้างหน้าแปรงฟันก็ให้ใจอยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไม่ว่าจะทําอะไรให้ให้ใจอยู่กับการกระทําเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเราจเจริญสติได้เดี๋ยวเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะนิ่งจะสงบได้ จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้จะได้อุเบกขาแล้วเราก็พยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆเพราะทำครั้งแรกได้ครั้งแรกนี้มันได้นิดเดียวเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มขันแรกได้เพียงขันเดียวอย่าเพิ่งหยุดทำสมาธิตักน้ำต่อไปตักอุเบกขาให้มีมากขึ้นเหมือนเติมน้ำใส่ตุม่มตักขันแรกแล้วก็ต้องตักขันที่สองขันที่สามเติมไปเรื่อยๆให้มันให้น้ามันเต็มตุ่มก่อน ให้มีอัปปนาสมาธิตลอดเวลาก่อนให้มีอุเบกขาตลอดเวลาก่อนแล้วนะพอเรามีอุเบกขาตลอดเวลาแล้วทีนี้เราก็ไปสู้กับกิเลสได้เอาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเอาอาสุภะเอาปฏิกูิเเปฏิกูิยาหาเลสัญญาไปสู้กับกิเลสชนิดต่างๆได้ถ้ามันอยากกินอาหารนอกเวลาที่จะกินก็ใช้อาหาเลปฏิกริสัญญา ดูความไม่สวยงามของอาหารพอเห็นอาหารที่อาเจียนออกมานี้มันก็ไม่อยากจะกินละอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเห็นแล้วน้ํำลายไหลให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมานี้มันไม่น่ากินอย่างนี้ก็เป็นการระ ง, งับความอยากที่จะกินอาหารได้ถ้ามีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็พิจารณาสุภาพ ดูเวลาที่ร่างกายมันตายไปเป็นยังไงเวลาเป็นซากศพเป็นยังไงหรือดูเข้าไปข้างในอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆที่มีอยู่ในในร่างกายว่าเป็นยังไงรู้ดูเวลาที่ร่างกายขับถ่ายของเสียต่างๆออกมาว่ามันเป็นยังไงมันน่ารักไหมมันส่งกลิ่นเหม็นเต็มไปหมดนี่ถ้านึกถึงภาพเหล่านี้แล้วความอยากเสกกามันก็จะหายไปแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันจะคิดไม่ออก กิเลมันจะไม่ยอมให้คิดไม่มีอเบกขานี่กิเลสมันจะให้เราไปคิดแต่ของสวยๆทำงา ม, งามของที่น่ารับประทานมันก็เลยทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องไปรับประทานถือศีลแปก็ขาดไปนึกถึงข้าวเย็นขึ้นมาพอเย็นนึกถึงอาหารขึ้นมาเดี๋ยวก็อดไม่ไหวเดี๋ยวพอเจอแฟนก็อดที่จะไปร่วมดับนอนกับแฟนไม่ได้ก็เลยศีลแปก็หายไปหมด แต่ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขามีปัญญาแล้วรับรองได้ว่า ก, กิเลสนี้เวลาโผล่ขึ้นมานี้จะถูกทําลาย ท, ทันทีทําลายด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันก็จะหมดกาลังต่อไปมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอีกต่อไปออนี่คือเรื่องของการสร้างความเพียรสร้างธรรมะ เพียงสร้างธรรมสร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทําลายกิเลสตัณหาคืออาธรรมที่มาสร้างความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปถ้ามีธรรมแล้วธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอธรรมของพระพุทธเจ้าชนะอาธรรมคือกิเลสตัณหามาแล้ว ถ้าเราทําธรรมของมุทธเจ้ามาใช้เราก็จะชนะอธรรมที่มีอยู่ในใจของเรา mm. เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่การทําความเพียรกันอย่าไปตั้งเป้าหมายที่นิพพานอย่าไปตั้งเป้าหมายที่วิมุตติมันไม่เกิดตั้งเป้าตั้งไปเท่าไหร่อธิษฐานไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดอธิษฐานขอให้ไปนิพพานขออธิษฐานขอให้หลุดพ้นอันนี้ไม่ใช่เป็นที่ตั้ง เราต้องการหลุดพ้นต้องการนิพพานต้องไปตั้งอยู่ที่การทําความเพียรกันตั้งอริยธรรมว่าต่อไปนี้ขอให้ได้ทําความเพียรสี่ชนิดนี้ตลอดเวลาเถิดขอให้เพียรสร้างธรรมขอให้เพียรรักษาธรรมขอให้เพียรละอาธรรมนะขอให้เพียรป้องกันอาธรรมที่ได้ละแล้วไม่ให้กลับคืนขึ้นมาอีกแล้วพอเราตั้งอยู่ตรงนี้เราก็จะได้ทําทําความเพียรในสีลักษณะนี้ ถ้ามีการทำต่อเนื่องต่อไปอาธรรมทั้งหลายก็จะถูกทำที่เราสร้างขึ้นมานี้ทำลายให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือเรื่องของวันพระที่พระเจ้าทรงได้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามาสร้างความเพียรกันเพราะว่าความเพียรเท่านั้นที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะคะังเอวามีวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปเะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ มาพิวาทนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังท า, างอังช่วงตอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาถามด้วยตนเองวันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่ทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชาโต388 เฟซบุ๊กพออจอสุชาติพิชาโต65ยอดรวมเฟ c บุ๊ o k 453ยห้าูทูวิทยุออนไลน์12บซูมรับฟังบริเวณกุฏิ40รวม703ค่ะอาค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมีคำถามจากคุณดาดา ถ้าเราไม่ชอบคบกับใครไม่ชอบมีเพื่อนรู้สึกวุ่นวายใจบางครั้งก็เจอคนชอบอิจฉาบ้างเอาเปรียบบ้างไม่จริงใจบ้างรู้สึกวุ่นวายไม่เกิดประโยชน์ต่อใจข้าพเจ้าคิดผิดหรือไม่เจ้าคะคือถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็ไม่ผิดแต่ถ้ามันทุกข์บางทีเรายังต้องเจอคนอยู่แต่เราไม่ชอบไปเจอเล้วเราก็ทุกข์อย่างนี้ก็ผิด ถ้าถึงเวลาที่ต้องเจอก็ต้องลดความไม่ชอบลงแล้วก็อยู่กับเหตุการณ์นั้นไปแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเจอใครชอบอยู่คนเดียวยงี้ก็ไม่ผิดนั้นต้องรู้ว่าอย่าให้มันสร้างความทุกข์ในใจของเราคละกันถ้าบางทีเรายังต้องอยู่กับคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ต้องอยู่กับคนอยู่ดีมาบวชก็ต้องอยู่กับพระด้วยกันถ้าไปอยากจะอยู่คนเดียวอย่างเดียวไม่อยากจะเจอใครเลย เวลามาเจอกันก็ทุกอย่างนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ต้องรู้จักวางใช้เฉยเป็นอุเบกขาเป็นกลาง <c oughs> อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างความชอบกับไม่ชอบชอบก็ไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ดีฉเฉยเฉยดีที่สุดฉันพยายามปลอใจให้อยู่เฉยเฉยเบื้องต้นเราไม่ชอบก่อนไม่ชอบเพื่อเราจะได้ไปอยู่คนเดียวไปปิกวิวเวกไปทำใจให้เฉยเฉยก่อน พอเราทาใจเฉยๆได้แ้วทีนี้เราจะไปอยู่กับใครเราก็อยู่ได้อยู่กับคนที่ชอบเราก็อยู่ได้อยู่กับคนที่ไม่ชอบเราก็อยู่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่จะอยู่คนเดียวได้ตลอดเวลามีบางเวลาที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันเห็นทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามทําใจให้เป็นกลางระหว่างชอบกับไม่ชอบคําถามจากคุณพี จะสำเร็จเป็นอรหันต์พระอริยบุคคลที่แต่ละขั้นกาหนดไว้เช่นโสดาบันไม่เกินเจ็ดชาติจะสำเร็จเป็นอรหันต์ช่วงเจดชาตินี้หรือจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อต่ อ, ตอกันทั้งเจ็ดชาติไหมคะเอาแล้วแต่เพราะบางคนพอเป็นโสดาบันปั๊บถูกเสือกัดตายไปก่อนก็ปฏิบัติต่อไม่ได้บางคนบรรลุโสดาบันปั๊บปัญญาทางานต่ อ, อ เป็นสกิรดาคามีในนาทีต่อมาเ ป, เป็นอนาคามีใ น, นในนาทีต่อมาเป็นผ้ า, าหันในนาทีต่อมาก็ได้อย่างมีเรื่องที่เล่าในสมัยพุทธกาลมีภาพรูปหนึ่งพอเวลาวันปงผมพิจารณารมพิจารณานิจังทุกขานาตาพอกรลงครั้งแรกก็บรรลุเป็นสโสดาบันพอลงไม่กนครั้งที่สองก็เป็นสกิรดาคามีแสดงว่าปัญญาท่านเร็วมาก แล้วได้เชื้อพอเหมือนไฟเนี่ยขอไฟได้เชื้อถ้าเชื้อมันเปียกมันก็ไหมช้าใช่ไหมถ้าเชื้อมันแห้งมันก็จะไหมเร็วนี่ถ้าเป็นเชื้อน้ํามันนี่กดปุ๊บนี่มันปุ๊บขึ้นมาเลยเห็นปัญญาของแต่ละคนความเร็วของปัญญาของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะใช้เวลานานอย่างพระผ้าอนุนเนี่ยมันเป็นบรรลุเป็นผ้าโสดาบันแล้วได้รับแต่งตั้ ง, งให้ไปเป็นผ้าอุปถาบพุทธเจ้า ก็เลยไม่มีเวลาไปเดินปัญญาต่อก็ติดเป็นพระโสดาบันไปต้องยี่สิบห้าปีมนะึงเินพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนะี่ยตอนนั้นถึงมีเวลาที่จะแยกตัวไปปีกวิเวกไปเจริญปัญญาต่อไปเจริญปัญญาสามเดือนก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้งั้นเวลานี้มันแต่ละคนไม่มีอะไรแน่นอนเพราะสถานการณ์เหตุการณ์บางทีมัน มันไม่เหมือนกันบางคนตายก่อนที่จะปฏิบัติธรรมต่อได้ก็ต้องไปต่อที่พบหน้าชาติหน้าต่อไปแต่จะไม่ไปเกิดนายาบัยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแล้วก็มาปฏิบัติธรรมต่อไปงั้นเราถึงมีอยูุ่คนบางคนที่มาเกิดแล้วทําไมก็งปฏิบัติธรรมได้รวดเร็วเหลือเกินเพราะเขาได้บรรลุมาแล้วเขาก็มาทําต่อยอดของเขาไปทั้งนั้นเองบางคนไม่มีของเก่ามาเลยก็ต้อง เขาต้องคอยคานไปต้องคอยอิดชาริษยาคนอื่นที่เขาไปเร็วกว่าคําถามจากคุณโคจากาบเรียนถามว่าเวลาไปไหว้พระพุทธรูปหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้องจุดทูบไหมคะเพราะเข้าใจว่าถ้าไม่จุดทูบไหว้พระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้าองค์ที่เรากลับไหว้ท่านจะไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่เราไหว้ท่านหรือขอพอรท่านคะ่ะ อ, อกาบไม่กาบเขาก็ไม่รู้หรอกออที่เราไหว้ไม่ได้ไหว้เทพเจ้าเราไหว้ตุ๊กตา รูปปั้น<ม>แล้วเราไปสมมติว่าเป็นเทพเป็นอะไรไปเท่านั้นเองแต่ความจริงก็เป็นแค่ตุ๊กตาเหมือนไปไหว้ซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนมันก็เป็นแค่รูปปั้นเหมือนกันสไปเดอร์แมนมันก็ไม่รู้ว่าเราไปไหว้มันหรอกเพราะมันเป็นรูปปั้นงั<ม>้นมันมันเป็นความเชื่อเท่านั้นเองเป้าหมายของการไหว้โดยเฉพาะพระพุทธรูปนี้ไหว้เพื่อให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณ ไม่ได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ไหนหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ไมานั่งรับรู้ว่าพวกเราไหว้ท่านหรือเปล่าหรอกท่านอยู่นิพพานท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วแต่ที่เราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อให้เราจเจริญสติเวลาเห็นพระพุทธเจ้าจะได้ลึกถึงพระ น, นิพพานนึกถึงการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นไปถึงพระ น, นิพพานเพราะนั้น น, นี่คือเป้าหมายของการสร้างพระพุทธรูปนนในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ท่านห้าไม่ให้คนสร้างนะ นบอกว่านี้ไม่ใช่เราพระพุทธรูปไม่ใช่เราเราคือพระธรรมถ้าอยากจะเข้าถึงเราให้เข้าถึงพระธรรมเพระพาะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นะคือความจริงของศาสนาพุทธความจริงแล้วไม่มีพระพุทธรูปมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีแต่พระธรรมคาสอนนั้นนันเองที่พวกเราคนจะกราบไหว้กันด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมกันนอกกนั้นทำไปก็เสียเวลาทำไปก็เหมือนหลอก หลอกตัวเองว่าได้ได้กราบได้ไหว้ได้ทำประโยชน์ประโยชน์ที่แท้จริงของศาสนาพูดคือปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนไม่ใช่เอามิสบูชาไม่ใช่กราบไหว้ด้วยทูปเทียนดอกไม้แล้วก็นั่งกราบสามครั้งแล้วก็ขอให้ไปถึงพระนิพพานขอไปจนมันตายก็ไปไม่ถึงจะไปได้ก็ต้องไปด้วยการปฏิบัติบูชาคาถามจากคุณสิริ เรารู้ทุกแล้วจะออกจากทุกได้อย่างไรเจ้าคะพูดดังหนะ่อพูดดังไหนเรารู้ทุกแล้วจะออกจากทุกได้อย่างไรเจ้าคะก็หยุดมันสิมันไปหาไปตัวไปหาตัวที่สร้างทุกเสียงมือนก็อยู่ในใจเรานั่นแหละพอเห็น <sung> ทุกแล้วก็ต้องไปหาตัวที่สร้างทุกตัวที่สร้างทุกก็คือความอยากของเรามันก็ไปหยุดความอยากของเราพอหยุดความอยากของเราความทุกมันก็จะหายไปเหมือนกับเราเห็น ไฟติดแล้วก็ไปแล้วก็ไปหาต้นเหตุที่ทําให้ไฟมันติดเลยแล้วก็ไปหาที่สวิตใช่ไหมเห็นสวิตไฟแล้วก็ไปดับมันดับที่สวิตพอเราดับสวิตไฟก็ดับไลเป็นความทุกข์มันเกิดจากความอยากความอยากเป็นสวิตไฟถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ไปดับที่สวิตไฟจะดับสวิตไฟได้ก็ต้องใช้ไตรลักดับต้องมีไตรลักษต้องเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นอสุภะเห็นปฏิกูล เดดับความอยากต่างๆได้คาถามจากคุณชมชนกเมื่อโยมทาบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสบรรพสัตว์ต่างๆโยมจากคนลูกคนพองโยมเข้าใจว่าสรรพสัตว์เหล่านั้นเขารับรู้ส่วนบุญโยมเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะอ๋อไม่หรอกมันเป็นปฏิกิริยาของจิตเรา เวลาเราทำอะไรบางอย่างมันถึงใจมันทราบซึ้งใจก็เลยเกิดปิติขนลุกขนซาขึ้นมาท่านบางที่เห็นเห็นดาราที่ชอบอย่างน้ําตาไหลร้ลองกรี๊ดกันเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ปฏิกิริยาของจิตเราไม่ได้อยู่ที่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราไปอุทิศบุญให้เขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกนอกจากเฉพาะตัวที่เขามารอรับจริงๆเท่านั้นเองนอกนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนีนมันเป็นความรู้สึกของใจเรา เวลาเราทำอะไรบางอย่างแล้วมันจะจะสะดุดใจจะซาบซึ้งใจบางทีก็น้ำตาไหลบางทีก็ยิ้มหัวเราะบางทีก็นขอลุกซ่าอะไรต่างๆรลองกรีดบางคนเห็นดาราที่โปรดขึ้นมานี้โอดทนไม่ไหวคลีดคนั่นแหละคือปฏิกิริยาของใจเวลาไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำถามจากคุณอุศรี หนูขอถามว่าถ้าหนูไม่ได้อยู่ดูแลบิดามารดาหนูกระตันยูโดยที่หนูสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญให้บิดามารดาได้ไหมคะไปดูแลท่านตามโอกาสที่จะไปได้ส่งเงินส่งขนมไปให้ท่านที่บ้านบุญที่หนูให้ท่านทุกวันท่านจะได้บุญไหมคะแล้วแบบนี้หนูจะเป็นลูกที่อักตันยูที่ไม่ได้ดูแลบิดามารดาไหมคะหนูกลัวบาปคะ่ะอ๋อการสวดมนต์นี้สวดเพื่อเราไม่ได้สวดให้คนอื่น ให้คนอื่นไม่ได้ต้องสวดกันเองนั้นทําได้ก็คือส่งเงินไปนี่ได้อยู่ถ้าเราคอยดูแลท่านถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลแต่เราส่งปัจจัยสําคัญคือเงินไปให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายก็ถือว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วไม่ต้องกังวลแต่ไม่ต้องสวดมนต์ไปเพราะบุญนี้ต้องสร้างกันขึ้นมาเองถ้าอยากให้พ่อแม่ได้บุญจากการสวดมนต์ก็ต้องให้พ่อแม่สวดกันเอง คำถามจากคุณนัตนัยกราบขอ ข, อข้อธรรมในการทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาครับผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องให้ความเคารพเชื่อฟังเขาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราต้องให้ความเมตตากรุณาเขาอย่าไปใช้เขาเป็นเหมือนทาสทีดถึงว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราถูกใช้อย่างทาสต้องให้ความเมตตาความกรุณา แต่สําหรับผู้ที่เขาเป็นเจ้านายเราเราก็ต้องให้ความเคารพยำเกรงต้องเชื่อฟังคําสั่งเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาไล่เราออก <c oughs> คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสัพเพธ ร, รมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาจิตใจบุญและบาปถือว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับคือเราพูดสัพเพนี่หมายถึงสิ่ ง, งต่างๆเช่นรากยศสารเสริญสุข รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ที่เราพูดถึงในในสิ่งที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยเปนอัตถ น, น, นัดปานาตาไม่มีตัวตนความจริงทุกอย่างมันไม่มีตัวตนแนมะ้แต่ใจก็ไม่มีตัวตนบุญกุศลก็ไม่มีตัวตนบาปกรรมมันก็ไม่มีตัวตนแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์เท่านั้นคือราบยศเสริญกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกับร่างกายของเราเนี่ย มันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์เราพิจารณาส่วนที่มันทําให้เราทุกข์ให้เราปล่อยวางให้ได้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาส่วนที่ไม่ได้ทําให้เราทุกข์ไม่ต้องไปสนใจคําถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ หนูได้ฟังพระอาจารย์เทศเกี่ยวกับขันห้าเกี่ยวกับสัญญาว่าเราเข้าใจผิดไปยึดติดหรูอขอกราบเรียนถามว่าถ้าทำกับข้าวกินเองต้องปรุงรสชาติของอาหารเราก็จะปรุงในแบบที่เราชอบว่าอร่อยสำหรับเราแล้วอย่างนี้ถือว่าติดรสชาติของอาหารไหมคะหรือว่าสักแต่ว่าได้รับรสของอาหารแต่ไม่ยึดติดก็อย่าไปปรุงแต่งด้วยถ้าอันไหนเป็นเครื่องปรุงแต่งก็อย่าไปใช้มัน ต้มผักก็ต้มผักอย่างเดียวไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่ไปน้ําตาลไม่ต้องไปใส่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ติดรสชาติกินตามรสชาติของผักไปของข้าวไปกินข้าวก็ไม่ต้องไปใส่น้ําป่งน้ําปลาอะไรกินข้าวเปล่าไปอย่างนี้นี่เวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวมาก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงไม่ต้องใส่พริกไม่ต้องใส่น้ําส้มน้ําปลาน้ํำตาอะไรต่างๆ อันนี้นะรัปรุงแต่งแนละ้วปรุงแต่งเพื่อรดเพื่อชาติเนี่ยเห็นเวลาสั่งเป็ดเดี่ยวสั่งอาหารมาเขาทำเขาปรุงมาให้เสร็จแล้วก็พอละเราไม่ต้องมาปรุงของเราเองเรากินไปตามมีตามเกิดถ้าเราถ้าเรากินเองทําเองก็ถ้ามันกินไม่ลงจริงๆก็อาจจะต้องปรุงแต่งโวยก่อนเพื่อมันกินลงแต่ถ้ามันลองลองไม่ปรุงแต่งดูแล้วกินลงก็กินแบบไม่ปรุงแต่งไปถ้าเราอยากจะฆ่ากิเลสโดยการติดรดติดชาติ คำถามต่อนของคุณไอซ์เบอรีค่ะแล้วเราจะพิจารณาเกี่ยวกับว่าคนคนนี้ก็คือคนรักของเราเป็นคู่รักเป็นลูกของเราดูควรจะพิจารณาอย่างไรเพื่อที่จะสามารถถอดถอนสัญญาจากขันห้าได้คะนั่ เ, เป็นเพียงตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งที่เราได้รับมาเท่านั้นเองเหมือนพ่อแม่ซื้อตุ๊ ก, กตามาให้เราเราก็เล่นกับมันไปดูแลมันไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันจากเราไปก็จบ ร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นสามีของภรรยาหรือลูกก็เป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาที่เราได้มาแล้วเดียววันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเขาไม่จากเราไปเราก็จากเขาไปเน้นต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเน้นอยาไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายเหล่านี้ตุ๊ ก, กตาเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่ทุกเวลาที่เราจากกัน คำถามสักคุณดาดาเมื่อก่อนปฏิบัติไม่เคยง่วงนอนหรือมีนิวรณมากวนใจแต่พอไม่ได้ปฏิบัติสม่ําเสมอพอจะนั่งก็ง่วงเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราควรทําอย่างไรคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสติ2ก็กินมากเกินไปถ้ากินมากก็จะทําให้ง่วงนอนเกียจคานก็ต้องลดการรับประทานอาหารน้อยลงแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็แสดงว่าสติมีกําลังน้อยก็อย่าพิ่งนั่ง ลูกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนหรือถ้านั่งก็สวดมนต์ไปก่อนถ้านั่งดูลมเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันอาจจะหลับได้ก็สวดมนต์ไปก่อนคำถามจากคุณจันทร์แก้วการปฏิบัติดูลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาที่เวลาจิตส่งออกนอกถูกต้องหรือไม่ท่านพระอาจารย์ไม่ไม่ถูกอะถ้า ด, ดูลมก็ไม่ให้มันส่งออกนอกอสิถ้าส่งออกนอกก็ไม่ได้ดูลมจิตมันจะอยู่สองที่พร้อมกันไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ถ้ามันดูลมมันก็จะไปดูข้างนอกไม่ได้ถ้ามันดูข้างนอกก็แสดงว่ามันไม่ได้ดูลมแต่มันวิ่งไปวิ่งมาเร็วมากมันเลยทำให้เราคิดว่าเราทำสองอย่างพร้อมกันได้ดูลมด้วยแล้วก็ไปส่งไปออกข้างนอกได้ด้วยแต่ความจริงมันเร็วมากจิตมันพลิกไปพลิกมาอย่างรวดเร็วจึงทําให้เหมือนกับว่าเราทำสองอย่างพร้อมๆกันไปงั้นเราถ้ามันทำสองอย่าง เราแสดงว่าไม่มีสติดึงให้มันอยู่กับอย่างเดียวเราก็ต้องพยายามดึงให้มันอยู่กับอย่างเดียวเราอย่าไปสนใจกับเวลาที่มันดึงเราไปข้างนอกอย่าตามมันไปให้อยู่กับลมอย่างเดียวไปแล้วต่อไปถ้าเราอยู่กับลมได้สติจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่สามารถส่งออกไปข้างนอกได้ คำถามจากคุณสิริถ้าบอกว่าร่างกายก็ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ตรงไหนเจ้าคะเราคือจิตผู้รู้ถูกต้องไหมเจ้าคะเรามาจากความคิดปรุงแต่งของจิตเวลาเราไม่คิดจะเราก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิหยุดคิดตัวเราก็หายไปพอเราเริ่มคิดตัวเราก็กลับขึ้นมาใหม่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งก็เกิดจากกิริาความหลง อย่างนั้นเลโอเคหมนแ้วก็วันนี้ก็คิดว่าจะเอาแค่นี้แล้วนะเพราะบรรยากาศฝนตกก็ไม่รู้จะทำอะไรนี่แต่หาที่นอนดีกว่าหรือไปนั่งสมาธิดีกว่ามานั่งรอคำถาม ก, ก็คิดว่าไม่จำเป็นแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วน ะ, ะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ